บทสรุปในตอนท้ายของพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจสีเหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดแก่เราตราบนั้นเรายังไม่ประกาศตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก ที่มีเทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์มีสมณะพรามพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองชื่อว่าสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นอรหัตตมัคคายานของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์กล่าวคือการบรรลุอรหัตตมัคคายานนี้เกิดขึ้นด้วยความพยายามของพระองค์เองโดยไม่ได้รับคําแนะนําจากผู้อื่น เมื่ออรหัตตมัคคายานี้ปรากฏขึ้นแล้วพระสัพญุตยานที่อย่างรู้ธรรมทั้งปวงก็เกิดขึ้นตามมาดังนั้นการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าสัมมาสัมโพธิหมายถึงการตรัสรู้เองโดยชอบส่วนการตรัสรู้ของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเรียกว่าสัมโพธิคือการอย่างรู้เองเพราะ พระปเจกับพะพุทธเจ้าปราศจากปัญญาที่รู้แจ้งธรรมทั้งปวงและการตรัสรู้ของพระสาวกเรียกว่าโพธิคือการอย่างรู้เพราะรู้แจ้งตามคำแนะนำของผู้อื่นดังนั้นสัมมาสัมโพธิญาณจึงเป็นปัญญาที่ทาให้พระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้อความที่ยกมาข้างต้นแสดงว่าในตอนบาเพ็ญทุ ก, กรกิริยาอยู่ พระโพธิสัตว์ยังไม่ประกาศพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงยับยั้งอยู่นานเพียงไรก่อนที่จะประกาศพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าในพระสูตรกล่าวไว้ว่าตราบใดที่ปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจสีซึ่งมีรอบสามอันได้แก่สัจญานกิจญานและกะตัญานยังไม่ปรากฏชัดแก่พระองค์ซึ่งหมายความว่า พระพุทธองค์ไม่ทรงประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะทรงบรรลุอรหัตตมักในวันเพ็ญเดือน6การที่ไม่ทรงประกาศพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าการตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญทุกขรกิริยานั้นเป็นไปไม่ได้เลยคำว่ารอบสามคือสัจญานกิจญานและกะตตยานส่วนอาการ12คือยานสามคูณด้วยอริยสัจสี่ 4. อรหัตตมักขยานพร้อมทั้งปัญญาสิบสองประการที่เกิดก่อนและหลังการบรรลุ ธ, ธรรมเรียกว่ายถาภูตยานคือปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงตราบใดที่ความรู้เหล่านี้ยังไม่หมดจดแก่พระองค์ตราบนั้นก็ยังไม่ทรงประกาศว่าได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ การที่พระพุทธองค์ไม่ทรงประกาศแก่ชาวโลกจนกว่าปัญญาที่รู้เห็นตามเป็นจริงจะหมดจดแก่พระองค์นั้นเพราะเหตุว่าในโลกนี้มีเทวดาที่มีปัญญาหลักแหลมและมารที่มีปฏิปักษ์ต่อคำสอนอีกทั้งพรหมที่ฉลาดและมีอนุภาพมากกว่าเทวดาและมารหากพระองค์ประกาศการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อน ที่จะทรงตรัสรู้อริยสัจสี่อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะไม่อาจตอบคำถามของเทวดามารและพรหมได้แม้ในหมู่มนุษย์ก็มีทั้งนักบวชที่มีชื่อว่าสมณะในลทัทธิต่างๆ ต, ตลอดจนพราหมณ์และกษัตริย์ที่มีปัญญาในสมัยนั้นมีเจ้าลทัทธิหลายคนมีปุรณกัสสะเป็นต้นอ้างตนว่ารู้อดีตปัจจุบัน และอนาคตเมื่อถูกลองภูมิเข้าก็มักจะจนปัญญาไม่สามารถพิสูจน์ข้ออ้างของตนได้หากพระพุทธองค์ทรงประกาศการตรัสรู้ก่อนที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็อาจตกที่นั่งลำบากเช่นเดียวกับเจ้าลัทธิเหล่านั้นครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ในเมื่อเจ้าลัทธิมีอายุและประสบการณ์มากกว่าพระองค์ยังไม่กล้าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเหตุใดพระองค์ที่มีอายุและประสบการณ์น้อยกว่าจึงกล้าประกาศพระองค์เช่นนั้นแล้วทูลถามข้อข้องใจบางอย่างพระพุทธองค์ทรงตอบข้อข้องใจของพระเจ้าประเสนที่โกศลได้อย่างแจ่มแจ้งจนพระเจ้าประเสนที่โกศล ถึงกับประกาศตนรับพระพุทธพระธรรมและพระสงค์เป็นศาณนะจะเห็นได้ว่าเจ้าลทัทธิทั้งหลายมักประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าสามัญชนแต่ไม่กล้าประกาศตนเช่นนั้นแก่พระเจ้าเปรตที่โกศลลอเกรงราชภัย การประกาศพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าตามข้อความในพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อใดปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามอาการส2องอย่างนี้หมดจดแก่เราดีแล้วเมื่อนั้นเราจะประกาศตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก ที่มีเทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์มีสมณพราหมณ์พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ข้อความที่ทรงประกาศนี้เป็นเหมือนคําเชื้อเชิญให้เทวดามารพรหมสมณพราหมณ์และคนทั่วไปได้มาทดสอบคํากล่าวอ้างนี้และเป็นการรับประกันว่าจะทรงตอบข้อซักถามได้จนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย เป็นการประกาศด้วยความมั่นใจไม่ได้ประกาศอย่างพริ้พรมไปตามความอยากแต่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศหลังจากพิจารณาทบทวนปัจเจเวกขณะญาแล้วเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองอย่างแน่นอนคำลงท้ายก่อนจะจบพระธรรมเทศนา พระพุทธองค์ตรัสคำลงท้ายว่าปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแกเราว่าความหลุดพ้นของเราไม่วิบัติแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตดนี้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปข้อความว่าความหลุดพ้นของเราไม่มีวิบัติแล้วหมายความว่าความหลุดพ้นนี้ไม่ได้เกิดจากรูปฌานหรืออรูปฌานซึ่ง ยังมีการเสื่อมได้เมื่อฌานเสื่อมกิเลสตัณหาก็กลับกำเริบอีกการข่มกิเลสได้ชั่วขณะด้วยรูปฌานและอรูปฌานนั้นเรียกว่าวิขมพนาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยการข่มไว้เหมือนใช้หินทับหญ้าจนหญ้าตายไปชั่วขณะแต่ถ้ายกหินออกจากหญ้าก็งอกงามขึ้นใหม่ดังนั้น ความหลุดพ้นของพระพุทธองค์จึงเป็นสมุทเฉทวิมุตติคือการดับกิเลสอย่างเด็ดขาดและเป็นปฏิปสัสทิวิมุตติคือความสงบระ ง, งับกิเลสอีกครั้งหนึง่งสมุทเฉทวิมุตติเป็นความหลุดพ้นด้วยอรหัตตะมักและปฏิปสัตทิวิมุตติเป็นความหลุดพ้นด้วยอรหัตตผลเหตุนั้น ความหลุดพ้นของพระพุทธองค์จึงเป็นการหลุดพ้นที่แน่นอนดับสิ้นกิเลสทั้งหมดโดยไม่กลับกำเริบอีกเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงละตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยการบรรลุอรหัตตมรรคและอรหัตผลจึงทรงหลุดพ้นจากการเกิดใหม่ผู้ที่ยังมีกิเลส ต, ตัณหาอยู่นั้นเมื่อจุติจากภพหนึ่งแล้วจะต้องเกิดในภพต่อไปเพราะ มีความยึดมั่นในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสมอย่างคือกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตซึ่งปรากฏให้เห็นในขณะใกล้ตายปราบใดที่ตัณหา ย, ยังไม่สิ้นไปก็ยังมีการเกิดใหม่อยู่ตราบนั้นในขณะที่พระพุทธองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนได้ทรงพิจารณาทบทวนเป็นครั้งแรก หลังจากที่ทรงตรัสรู้ว่าเราได้สแสวงหาในช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบอยู่มากมายบัดนี้เราได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตาญาแล้วท่านจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่าปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่วิบัติแล้ว เพื่อแสดงถึงการพิจารณาทบทวนดังกล่าวนอกจากนี้แม้พระองค์จะทรงหลุดพ้นจากตัญหาที่สร้างพบใหม่แล้วแต่ยังต้องทรงพระชนทีพในพบปัจจุบันที่เป็นผลของตัญหาในอดีตชาติอยู่ดังนั้นจึงตรัสในตอนจบของพระสูตรว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้ไม่มีการเกิดใหม่อีก การบรรลุธรรมของผู้ฟังหลังจากศึกษาพระสูตรนี้อย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบจะพบว่าในพระสูตรนี้ส่งกล่าวถึงทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และความจริงก็ทรงค้นพบส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตินั้นไม่มีปรากฏโดยตรงพบเพียงข้อความที่ทรงแสดงไว้ในตอนต้นว่า การปฏิบัติที่สุดตรงสองอย่างนี้บรรพชิตไม่ควรข้องเกี่ยวเราจึงควรพิจารณาว่าผู้ฟังทําได้บรรลุมรรคผลในขณะฟังได้อย่างไรแม้ในพระสูตรจะไม่ได้ทรงแสดงวิธีปฏิบัติไวโดยตรงแต่ก็เป็นการแสดงโดยปรยายด้วยการชักชวนในวงเล็บอนัตติตามหลักของการเนติปกรณ โดยชักชวนว่าจงหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติที่สุดโต่งสองอย่างและจงปฏิบัติตามทางสายกลางการชักชวนนี้เป็นการแนะนำให้ละเว้นความชั่วและกระทำความดีดังตัวอย่างว่าสุญโตโล ก, กังเอาเวกขัดสุในวงเล็บเธอจงเห็นโลกว่าว่างเปล่าดังนั้นโบราณอาจารย์ชาวพม่า จึงกล่าวว่าพระพุทธพจน์ทั้งหมดมีการชักชวนอยู่ด้วยเช่นในมงคลสูตรมีคถาที่กล่าวถึงมงคลสามประการแรกว่าการไม่คบคนผ่านการครบแต่บัณฑิตและการบูชาผู้ที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุดแม้จะไม่มีการชักชวนโดยตรงแต่ควรเข้าใจว่าทรงชักชวนว่าไม่ควรครบคน่านควรครบบัณฑิต และควรบูชาผู้ควรบูชาในทํานองเดียวกันแม้จะไม่มีการชักชวนโดยตรงในพระสูตรนี้เพราะเพียงตรัสว่าตระทาคตรจะรู้ทางสายกลางโดยไม่เข้าถึงการปฏิบัติที่สุดตรงสองอย่างนั้นก็ควรเข้าใจว่าทรงหมายถึงการชักชวนว่าพวกเธอจงหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่สุดตรงสองอย่างและปฏิบัติตามทางสายกลาง เหมือนที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วแม้พระดำรัสอื่นในพระสูตรนี้ก็แสดงถึงการชักชวนเช่นเดียวกันเช่นข้อความว่าทางสายกลางอันทำให้เกิดจักสุทาให้เกิดปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์ก็หมายถึงการชักชวนว่า ถ้าเธอปฏิบัติตามทางสายกลางปัญญาจักสุจะเกิดแก่เธอตามลำดับจนบรรลุถึงพระนิพพานในที่สุดและเมื่อทรงกล่าวถึงอริยมรรคมีองค์8ก็ควรเข้าใจว่าเป็นการชักชวนให้เราพัฒนาองค์มรรคที่เป็นศีลสมาธิและปัญญาแม้คำอธิบายทุกขสัจก็เป็นการชักชวนให้พยายามเข้าใจทุกได้อย่างถูกต้อง คำอธิบายสมุทรยศยจัดเป็นการชักชวนให้ละสมุทรไทยคำอธิบายเนโรศทศและมรคศัพท์ก็เป็นการชักชวนให้ทํานิโรธให้แจ้งและเจริญมรคตามลําดับนอกจากนี้แล้วคําสอนเกี่ยวกับสัจญานจัดเป็นการชักชวนให้ปฏิบัติเพื่อความเข้าใจสัจจะสีโดยพ้นไปจากสมมุติบัญญัติที่ปิดบังความจริงของสัพพชีวิต ในเรื่องกิจจาย น, นั้นข้อความว่าทุกขสัจเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นการชักชวนให้กำหนดรู้ทุกขสั์คืออุปทานนขันห้าว่าเป็นไตรลักษณ์ในขณะที่มีอารมณ์มากระทบทวานทั้งหข้อความว่ามรรคสัจเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นการชักชวนให้พัฒนาอริยมรรคมีองค์8เมื่อกำหนดรู้ทุกขสัจอยู่ข้อความว่า สมุทธยาศัสตร์เป็นธรรมที่ควรละเป็นการชักชวนให้ละความเพลิดเพลินในทุกขศาตร์ที่กำหนดรู้อยู่ข้อความว่านิโรธศัสตร์เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งหมายความว่าเมื่อเข้าใจว่าทุขศัตร์อย่างถูกต้องและพัฒนาวิปัสนามรรคให้เจริญแล้วก็จะทำนิโรธให้แจ้งได้ในที่สุด เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกการตรัสรู้ธรรมด้วยการเจริญมัชิมาปฏิปทาภิกษุปัญจวคีก็เข้าใจว่าพวกเขาก็ควรปฏิบัติเช่นเดียวกันเปรียบเหมือนคนที่หายจากโรคร้ายด้วยการกินยาขนาดหนึ่งแล้วเล่าให้ผู้ที่เป็นโรคเดียวกันได้ทราบได้ฟังก็เข้าใจได้ว่าควรกินยาขนาดนั้นเหมือนกัน เนื่องจากภิกษุปัญจวคีที่ฟังธรรมอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะบรรลุธรรมเป็นครั้งแรกก่อนบุคคลอื่นจึงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ตามที่ได้อธิบายมานี้พวกท่านได้กำหนดรู้ทุกขสัตว์ที่ปรากฏในขณะนั้นและพัฒนาวิปัสนาปัญญาให้เจริญตามลำดับจนสามารถทำรนิพานให้แจ้งด้วยมรรคยานทั้งสี่ การแทงตลอดอริยสัจสีด้วยการกําหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะจนบรรลุมักผลในขณะฟังธรรมจึงมีได้แน่นอนเมื่อพระโกนทัญญะปฏิบัติตามคําสั่งสอนในพระสูตรโดยการกําหนดรู้สภาวะธรรมในปัจจุบันขณะเช่นสภาวะเห็นสภาวะได้ยินความเข้าใจความเลื่อมใสความปิติยินดี หรือการกระทบสัมผัสเป็นต้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อจบพระธรรมเทศนาแม้พรม1ิปโกดที่ได้ฟังพระสูตรนี้ก็บรรลุธรรมด้วยวิธีเดียวกันอีกทั้งเทวดาจํานวนนับไม่ถ้วนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในครั้งนั้นเช่นกันพระธรรมสังคาหากาจาน ได้กล่าวถึงความปีติสมนัสของภิกษุปัญจวคีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมจักนี้แล้วภิกษุปัญจวคีปราบปลื้มภาสิทธิ์ของพระองค์ดังนี้แลลาภิกษุปัญจวคีมีความปีติสมนัตจากการฟังพระธรรมเทศนานี้จึงเปร่งวาจากราวสาธุการสามหนเพื่อแสดงความปร า, าปลื้มของตน การเปลงสาธุการสามหนนี้เป็นคำอุทธธานที่กลั้นไว้ในใจไม่ได้จนต้องเปลงเสียงออกมาทางวาจาเหมือนดังน้ำเอ่อล้นทำนบกั้นแล้วไหลล้นออกมาภายนอกการบรรลุธรรมของพระโกนธัญญา ต่อมาท่านได้กล่าวถึงการบรรลุ ธ, ธรรมของพระโกนทัญญะว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนานี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันประสากทุลีประสากมนทินได้บังเกิดแก่ท่านโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวล น, นั้นมีความดับเป็นธรรมดาข้อความข้างต้นกล่าวว่า ท่านโกนธัญญาบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมอยู่เพราะประกอบใช้คำแสดงปัจจุบั น, นการว่าพันยะมาเนในวงเล็บตรัสอยู่นั่นหมายความว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะแสดงพระสูตรจบท่านโกนธัญญาก็ได้บรรลุธรรมแล้วความเห็นนี้พบในคำพีสารถธิปนีที่กล่าวตามหลักภาษาทั่วไปโดยมณนะ ปัจจัยในพัญญามณีลงในปัจจุบันการแต่ในคำพีอรถกถาของปฏิสัมพิธามักกล่าวว่ามานะปัจจัยลงในอดิตกาลที่ใกล้ปัจจุบันการซึ่งมีความหมายเท่ากับว่าพนิเตจึงแปลพัญญามาเตว่าตรัสแล้วตามความเห็นนี้ท่านโกนทัญญะ ได้บรรลุธรรมเมื่อตอนเริ่มจบพระธรรมเทศนาอาจเป็นไปได้ว่าท่านโกนทัญญะสามารถพัฒนาอริยมรรคมีองค์8จนบรรลุมรรคผลในขณะที่ได้ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับทางสายกลางอยู่ในตอนต้นของพระสูตรนี้หรือกำหนดรู้ตามที่เข้าใจจนบรรลุธรรมในเวลาฟังคำอธิบายเกี่ยวกับอริยสัจสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านได้ฟังข้อความว่าทุกขสัจเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้และมรรคสัจเป็นธรรมที่ควรอบรมก็กาหนดรู้อุปทานอาคารและเจริญอริยมรรคมีองค์แปดไปด้วยพร้อมกันจนบรรลุธรรมการปฏิบัติตามในนี้น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดในการกาหนดรู้ทุกขสัจนั้น ท่านอาจกำหนดรู้สภาวะได้ยินในขณะฟังธรรมจนรู้เห็นสภาวะที่ไม่เที่ยงคือความเกิดดับความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนในสภาวะได้ยินนั้นและการพัฒนาอริยมาริมีองค์8ดให้เจริญหรืออาจกำหนดรู้สภาวะกระทบสัมผัสที่ปรากฏในร่างกายเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์ อีกทั้งสภาวะเห็นพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมอยู่แต่สิ่งที่ใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าก็คือการกำหนดรู้ศรัทธาที่เกิดจากการฟังธรรมอันน่าเลื่อมใสด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็มาเกิดความปิติปราโมทติดตามมาท่านจึงอาจกำหนดรู้ความปิติปราโมทนั้น การกำหนดรู้ปีติปราโมทแล้วได้บรรลุธรรมนี้ส่งผลให้บรรลุธรรมได้ง่ายกว่าการกำหนดรู้สภาวะธรรมอย่างอื่นในขณะฟังเพราะมีกล่าวไว้ในพระบาลีว่าคนจำนวนมากบรรลุธรรมในขณะฟังเทศที่เกี่ยวกับอริยสัจส์่เมื่อจิตคล่องแคล่วอ่อนโยนปราศจากนิวรปราโมทและผ่องใส การรับรู้รูปนามในปัจจุบันขณะมิใช่เพียงการรู้สมมุติบัญญตัติคือชื่อของรูปนามทีละอย่างแต่เป็นการรับรู้ความจริงในขั้นปรมัตร์ในขณะที่ปรากฏจริงอุปทานขันห์าเป็นปรมัสตร์ทจะทุกขศัตเป็นปรมัสตร์ศจัตเมื่อสภาวะธรรมถูกกาหนดรู้จนปรากฏลักษณะที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจึงเป็นการกำหนดรู้ทุกข์อย่างถูกต้องตรงตามคาสอนของพระพุทธองค์เพราะการกำหนดรู้อย่างนี้ทำให้ตัณหาถูกละได้ชั่วคราวในวงเล็บตัดทางคับปหานะเมื่อตัณหาถูกละไปกิเลสอื่นเริ่มตั้งแต่อวิชชาที่หลงผิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตน ตลอดจนกรรมและวิบากที่จะดับไปด้วยในขณะที่มีการกำหนดรู้อย่างถูกต้องนี่คือการดับชั่วขณะ ด, ด้วยการกำหนดรู้ในวงเล็บตะทางคานิโรดพร้อมกันนั้นอริยมรคมีองค์แที่ประกอบด้วยวิปัสสนาก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญขึ้นด้วยตามในนี้ท่านโกนทัญญะได้พัฒนาวิปัสสนา ด้วยการกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันที่ปรากฏชัดตามความเป็นจริงจนบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะฟังธรรมอยู่หรือเมื่อฟังจบแล้วดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีและมนทิน ตามข้อความที่พระสูตรได้กล่าวถึงดวงตาเห็นธรรมของท่านโกนธัญยะว่าเป็นดวงตาอันปราศจากทุลีและมนทินในคัมภีร์สารัตถีปณีอธิบายว่าข้อความว่าปราศจากทุลีหมายถึงปราศจากราคะเป็นต้นที่ทําให้ไปเกิดในอบายพูมิข้อความว่าปราศจากมนทินหมายถึงปราศจาก ทิฏฐิและวิจิกิจช้าตามในนี้ทุลีและมนทินจึงเป็นกิเลสที่ถูกโสดาปฏิมาคขจัดได้โดยเด็ดขาดส่วนคำพีอธิกถาของปฏิสัมพิามักกล่าวว่ากิเลสมีราคะเป็นต้นเป็นทั้งทุลีและมนทินเพราะมีสภาพครอบงำจิตของลาวสัตว์จึงได้ชื่อว่าทุลี และเพราะทำลายให้ย่อยยับจึงได้ชื่อว่ามนทินข้อความว่าดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีและมนทินนั้นอาจตีความได้สองอย่างคือก็เป็นดวงตาเห็นธรรมคือมัรคยานอันไม่ประกอบด้วยธุลีและมนทินคือกิเลสและขอดวงตาเห็นธรรมอันไม่ได้ถูกปิดบังไว้ด้วยธุลีและมนทินคือกิเลส ความหมายที่ถูกคือขอ้อขอเพราะมรรคยานไม่ใช่สภาวะที่ประกอบด้วยกิเลสตามปกติอยู่แล้วแต่การบรรลุมรรคยานมีได้โดยไม่มีกิเลสเป็นอุปสรรคขวางกัน้นจึงหมายถึงขอ้ขอขออย่างเดียวการขจัดกิเลสด้วยมรรคยานนั้นหมายความว่าปราบใดที่กิเลสคือทิฏฐิวิจิ ก, กิจชา้า และราคะที่ทำให้ไปเกิดในอบายภูมยังมีกำลังอยู่แม้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเพียรเจริญวิปัสสนาก็ไม่อาจอยังเห็นพระนิพพานได้เพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้รู้ทมเปรียบเหมือนต้อกระจกที่ทำให้ดวงตามืดมัวแต่เมื่อวิปัสสนาปัญญาได้รับการพัฒนาให้แก่กล้ากิเลสเหล่านั้นก็จะเบาบางลง และอ่อนแอจนปิดบางพระนิพานไม่ได้เหมือนต้อกระจกถูกลอกออกให้บางจนสามารถมองทะลุไปได้หลังจากนั้นโซดาปฏิมาค ก, ก็จะสามารถเห็นแจ้งแทงตลอดพระนิพานได้ความสามารถที่มองทะลุธุลีไปเห็นพระนิพานจึงเรียกว่าปราศจากธุลีในวงเล็บวิระชะและปราศจากมนทินในวงเล็บ วิตมละการบลรุมักจึงทําลายทุลีส่วนที่วิปัสนาได้ทําให้เบาบางลงจนเกือบหมดแล้วนั่นเองคาอธิบายข้างต้นสอดคล้องกับข้อความในคำพีวิสุทธิมักและมหาดีกาซึ่งกล่าวว่าการบรลุมักขยานได้ขจัดกิเลสที่เหลือหลังจากวิปัสนามักได้ทําให้เบาบางลงแล้ว ควรทราบว่าการบรรลุอริยมรรคนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองจากศูนย์เช่นเดียวกับจิตดวงใหม่ย่อมเกิดต่อจากจิตดวงก่อนจึงอาจกล่าวได้ว่ามรรคปัญญาเกิดต่อจากวิปัสสนาปัญญาดังนั้นกิเลสคือทิฏฐิวิจิกริชฌาและราคะที่ถูกบัทฑรกำลังลงด้วยวิปัสสนาจึงไม่อาจบทบัง การเห็นพระนิพพานของมรรคได้ข้อความว่าปราศจากทุลีและมนทินจึงหมายความว่ากิเลสไม่สามารถปิดบังพระนิพพานได้ในคัมภีร์อัทธกถาของพรหมายุสูตรกล่าวว่ามรขยานสามขั้นแรกเป็นธรรมจักรสุหรือดวงตาเห็นธรรมแต่ในคัมภีร์อัทธกถาของจุลาหุโลวาทสูตรกล่าวว่ามขยาน แลลพลยานทั้งสี่เป็นดวงตาเห็นธรรมดังนั้นเมื่อกล่าวถึงมรรคยานขั้นสูงที่ปราศจากทุลีและมนทินจึงหมายความว่าราคะและโทสะเป็นต้นถูกทำให้เบาบางลงด้วยวิปัสนาจนกระทั่งไม่สามารถปิดบังพระนิพพานได้คำที่อธิบายมาทั้งหมดนี้แสดงว่าโลกุตระมักไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ จากศูนย์แต่พัฒนาจากวิปัสนาโดยความเป็นปะกะตูปะนิสยปัจจัยคือปัจจัยเป็นที่อาศัยซึ่งมีกำลังหากจะถามว่าดวงตาเห็นธรรมที่เป็นโสดาปติมัคคยานเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตอบได้ว่าเกิดขึ้นด้วยการยังเห็นว่าทุกสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดานั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดา การเห็นอย่างนี้อาจเกิดขึ้นได้สองระยะคือในขณะที่บรรลุอุทธพยัญาณที่รู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของสภาวธรรมที่กำหนดรู้อยู่การรู้เห็นในลักษณะนี้เกิดจากวิปัสนาหรือในขณะที่สังขารุเปกขายานแก่กล้าแล้วได้บรรลุความดับของกระแสรูปนามทั้งหมดการรู้เห็นอย่างนี้ จัดเป็นการอย่างเห็นพระนิพพานด้วยโลกุตระมักว่าสภาวะธรรมที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั้นย่อมเข้าสู่ความดับสนิทไม่มีเหลือดวงตาเห็นธรรมเป็นของพระโสดาบันนั้นเกิดขึ้นด้วยการรู้เห็นความดับของรูปนามทั้งหมดด้วยโสดาปฏิมักแม้ดวงตาเห็นธรรมของพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ด้วยเหตุนั้นในจุลาโหโลวาทสูตรจึงกล่าวถึงการบรรลุมรรคยานทั้งสีว่าเป็นการเห็นธรรมด้วยดวงตาอันปราศจากทุลีและมนทินว่าทุกสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดามรรคยาน รับเอาความดับรูปนามทั้งหมดเป็นอารมณ์บางคนอ้างข้อความที่มาจากคัมภีอธิกถาของจุลนิเทศว่าโสดาปฏิมักและจิตที่เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงและจิตที่ประกอบกับวิจิกิจฉาหนึ่งดวงแล้วกล่าวว่าในขณะบรรลุโสดาปฏิมักและโสดาปฏิผลสังขารคือรูปนามไม่ได้ดับลงทั้งหมด แต่มีเพียงการดับของอกุศลจิตห้าดวงเป็นอารมณ์เท่านั้นความเห็นข้างต้นไม่ถูกต้องเพราะนิพพานไม่ใช่ความดับของสังขารเพียงบางส่วนแต่เป็นการดับอย่างสิ้นเชิงของวัตตะทั้งสามคือกิเลสวัตรกรรมวัตและวิปากวัตอีกทั้งเป็นการดับของรูปนามสังขารทั้งหมดดังนั้นหากจะถามว่าโลกุตระมักมีอะไรเป็นอารมณ์ คำตอบก็คือโลกุตระมักนี้มีพระนิพพานซึ่งเป็นความดับของรูปนามทั้งหมดเป็นอารมณ์เมื่อตรวจดูข้อความในคำมพี์จุลนิเทศปารายณาวัชอชิตตาสูตรแล้วก็พบว่ามีการกล่าวถึงความดับของรูปนามทั้งหมดว่าเป็นนิพพานด้วยพระดำรัสว่าวิญญาณสักนิโรเทนะ เอตเทตังอุปรุชติในวงเล็บรูปนามนั้นย่อมดับไปณที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณและหากโสดาปติมัสมีการดับไปของอากุศ ล, ลจิตห้าดวงเป็นอารมณ์แล้วนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมัคแต่ละขั้นจะต้องมีการดับไปของอกุศลจิตแต่ละอย่างเป็นอารมณ์เมื่อเป็นเช่นนี้ นิพพานของมักคยานแต่ละขั้นก็ต้องต่างกันแต่มีได้เป็นเช่นนั้นเพราะมัรคยานทั้งสี่นี้มีนิพพานอย่างเดียวกันเป็นอารมณ์จะเห็นได้ว่าแม้ในพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงการดับรูปนามทั้งหมดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวล น, นั้นมีความดับเป็นธรรมดาอนหนึ่ง ในพระสูตรนี้กล่าวถึงการฟังธรรมของท่านโกนทัญญาแล้วบรรลุ ธ, ธรรมไม่ได้กล่าวถึงการเจริญวิปัสนาในขณะฟังธรรมอาจทําให้เข้าใจผิดว่าการฟังธรรมอย่างเดียวทําให้บรรลุ ธ, ธรรมได้โดยไม่ต้องเจริญวิปัสนาความจริงแล้วการเจริญวิปัสนาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการบรรลุ ธ, ธรรมและสอดคล้องกับคําสอนในพระสูตรนี้ ที่กล่าวไว้ชัดเจนว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นสิ่งควรเจริญนอกจากนั้นในคำพีอธกถาก็กล่าวว่าทุกขศัสต์และสมุทยศัตร์เป็นธรรมที่ควรเข้าใจด้วยการกำหนดรู้และการละอีกทั้งกล่าวถึงการพัฒนาโลกุตระมักเมื่อวิปัสสนาปัญญาจเจริญถึงที่สุด นอกจากนี้ในคำพีอัตถกายังกล่าวไว้ชัดเจนว่าวิปัสนาญาณและมักคยานจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการกำหนดรู้สภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างคือกองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมซึ่งข้อความนี้สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของสัมมาสติ จากการเจริญสติปัฏฐานสี่สรุปความว่าโลกุตระมักจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการเจริญวิปัสนามาก่อนดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าท่านโกนทัญญะได้เจริญวิปัสนาในขณะฟังพระสูตรจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เทวดาและพรมบันลือเสียงเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงยังกงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนไปด้วยการแสดงพระสูตรนี้พุทมัเทวดาได้เปล่าประกาศว่าธรามาจากอันไม่มีจากอื่นเทียบได้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงหมุนให้เคลื่อนไปแล้วณป่าอิสิปตปนามฤคธายวันเขตเมืองพารณสีอันสมณะพรามณ์เทวดา มารพรหรือใครๆในโลกยังให้หมุนกลับไม่ได้เทวดาในชั้นสูงสูงขึ้นไปก็บรเลือเสียงต่อต่อกันไปจนถึงพรมาโลกทั้งหมื่นโลกกระาธาตก็หวั่นไหวสะเทือนเลื่อนลั่นไปแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกด้วยอนุภาพแห่งพระสูตรอันยิ่งใหญ่นี้ล่วงพ้นเทวานุภาพทั้งปวง ดังข้อความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมแล้วภูมเทวดาได้เปล่าประกาศว่าพระผู้มีพระภาคทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนามลึกาทยวันใกล้เมืองพารานสีที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครใครในโลก ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้หมุนกลับได้เทวดาชั้นจัตุมหาราชได้ยินเสียงของภูมิเทวดาแล้วได้เป่าประกาศว่าพระผู้มีพระภาคทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนามลุคทายวันใกล้เมืองพารณาณสีที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆ ใ, ในโลกไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้หมุนกลับได้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 เทวดาชั้นดุสิตได้ยินเสียงของเทวดาชั้นยามาแล้วได้เป่าประกาศว่าพระผู้มีพระภาคทรงหมุนกลงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนามลึกทัยวันใกลเมืองพาราณสีที่สมณะพรามเทวดามารพรหรือใครๆในโลกไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้หมุนกลับได้เทวดาชั้นนิ ม, มานนรดี ได้ยินเสียงของเทวดาชั้นดุสิตแล้วได้เปล่าประกาศว่าพระผู้มีพระภาคทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิ ป, ปตนะมรุกตายวันใกล้เมืองพาราสีที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆ ใ, ในโลกไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้หมุนกลับได้เทวดาชั้นประนิมิต ว, วัสวัตตี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 เทพที่นับถือเนื่องในหมู่พรหมได้ยินเสียงของเทวดาชั้นปรานิมิตวาสวัสดีแล้วได้เปล่าประกาศว่าพระผู้มีพระภาคทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนะมลึกขัยวันใกล้เมืองพารณาสีที่สมณะพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆ ใ, ในโลกไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้หมุนกลับได้ ในพระสูตรพบข้อความที่กล่าวถึงพรหมว่าเทพที่นับถือเนื่องในหมู่พรหมแต่ในบทสวดมนต์ของไทยบางฉบับพบข้อความที่กล่าวถึงพรหมโดยละเอียดจำแนกเป็นพรหมชั้นปริสัชชาพรหมชั้นปุโรหิตาและพรหมชั้นมหาพรหมเป็นต้นข้อความดังกล่าวไม่พบโดยตรงในพระสูตร จึงเป็นข้อความเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังเสียงเปล่าประกาศในโลกนี้ได้แพร่สะบัดถึงพรหมโลกโดยชั่วขณะนั้นโดยชั่วครู่นั้นด้วยประการชนีในคำพีอภิธานับปฏีปิกากล่าวถึงระยะการไว้สามอย่าง 1. ขณะเทียบกับเวลาดีดนิ้วมือสิบครั้ง 2. ลระยะ เป็นเวลาสิบขณะสามขณะระยะเป็นเวลาสิบระยะเทียบกับเวลาร้อยขณะสามโมหุตตะเป็นเวลาสิบขณะระยะเทียบกับเวลาพันขณะอย่างไรก็ตามในคำพีอธิกถาของปฏิสัมพิธามากกล่าวว่าพระธรรมสังคาหากาจา์กล่าวคำว่า เตนะคเนนะโดยกระทำเป็นพิเศษว่าเตนะโมหุเตนะความหมายก็คือโดยชั่วขณะที่เรียกว่าโมหุตตะไม่ใช่โดยขณะจิตอันเป็นปรมัติดังนั้นคำว่าคเนนะจึงไม่ใช่เวลาดีดนิ้วมือสิบครั้งและมหุตตะก็ไม่ใช่เวลาดีดนิ้วมือ0 0นครั้ง แต่เป็นเวลาชั่วขณะตามปกตินอกจากนั้นฉบับพมา่ามีรูปว่าเตนะคเนนะเตนะละเยนะเตนะมหุดเตนะแต่ในที่นี้ใช้ตามคำภีอัตถคถาของปฏิสัมพิธามรกที่ไม่มีเตนะละเยนะอีกทั้งยังสอดคล้องกับฉบับสิงห์นฉบับไทยและฉบับขเขมรอีกด้วย ต่อมาพระธรรมสังคาหากาจาร์ได้กล่าวถึงการเกิดแผ่นดินไว้และโอภาษอันแสดงถึงอนุภาพของพระสูตรนี้ว่าละเมิดโล ก, กาธาตุนี้ได้สรรนสะเทือนหวั่นไหวและเกิดโอภาสอันใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้ในโลกยิ่งกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงเปร่งอุทานเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านโกนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพระผู้มีพระภาคทรงเปร่งอุทานว่าโกนทัญญะรู้แล้วหนอโกนทัญญรู้แล้วหนอพระโกนทัญญาจึงได้ชื่อว่าพระอัญญาโกนทัญญาเพราะคําอุทานนี้ตั้งแต่นั้นมาดังข้อความว่าในการนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเปร่งอุทานว่าท่านทั้งหลายโกนธัญญะรู้แล้วหนอท่านทั้งหลายโกนธัญญะรู้แล้วหนอฉะนั้นท่านโกนธัญญจึงปรากฏสมญานามนี้ว่าพระอัญญาโกนธัญญในวงเล็บพระโกนธัญญผู้รู้แล้ว ท่านโลทัญญาทูลขอบรรพชาอุปสมบทข้อความในพระสูตรตามที่ปรากฏในสังยุตติกายจบลงเพียงเท่านี้แต่ในวินัยปิดกยังกล่าวถึงการอุปสมบทของท่านโกลทัญญาและการปรากฏขึ้นของภิกษุสงฆ์ต่อไปว่าครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกลทัญญาได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีทำอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้งกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศ า, ศาสดาได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสํานักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่าในครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณทัญญะเพียงคนเดียวทูลขอบรรพชาส่วนปัญจวคีที่เหลืออีกสี่คนคือวัปปะพัทยะมหานามะและอสชิไม่ได้ตัดสินใจจะบวชอาจเป็นเพราะทั้งสี่คนยังไม่ได้บรรลุธรรมเหมือนกับท่านอัญญาโกณทัญญะเดิมทีเดียวท่านคงเป็นนักบวชลัดที่อื่นมาก่อนการลัทิ้งความเชื่อเดิมมาขอบวชในพระพุทธศาสนา จะต้องมีศรัทธาอย่างแรงกล้าเพราะการเปลี่ยนไปนับถือาศาสนาอื่นนั้นนับว่าเป็นของยากและการรับเอาพระลัตนะไตรเป็นศาสนการรักษาศีลเจริญภาวนาคลองภาากาสวาวพัดเป็นสมณะในพระพุทธาศาสนาก็เป็นการยากลำบากสำหรับคนบางคนเช่นกับปัญจวคีอีกสี่คนซึ่งมิได้ตัดสินใจขอบวช ท่านโคนทัญญาตัดสินใจขอบวชเป็นภิกษุในพระศาสนาเพราะได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระนิพพานที่ยังเห็นการเกิดดับของรูปนามทั้งหมดจึงเข้าใจว่ารูปนามเป็นทุกข์ที่น่ากลัวท่านรู้เห็นว่าปัญหาที่ยินดีในรูปนามเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของทุกข์และเข้าใจว่าอริยมรรคมีองค์แปด เป็นทางดำเนินที่ถูกต้องอันนำไปสู่สันติสุขแห่งโมกกะสะการรู้แจ้งอริยสัจสี่ข้างต้นทำให้ท่านโกนทันยัเกิดความเชื่อมัน่นในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์เรียกว่าอาเวจจะปัสสทะคือศรัทธาที่มั่นคงซึ่งเกิดจากปัญญาเห็นประจักษ์เหมือนกับคนไข้ที่เชื่อมั่นในความสามารถของแพทย ที่รักษาโรคของตนจนหายขาดท่านจึงขอบวชเพราะรู้เห็นอริยสัจสี่ดังข้อความในพระสูตรนี้ว่าได้เห็นธรรมแล้วคือได้รู้เห็นอริยสัจสี่แล้วคำว่าทิฏฐ ธ, ธรรมโมหมายถึงการเห็นด้วยปัญญาจักสุซึ่งต่างจากตาเนื้อเพราะมีลักษณะเป็นผู้ที่ ได้บรรลุธรรมแล้วในวงเล็บปัตตธรรมโมคือได้บรรลุหรือเข้าถึงด้วยปัญญาและมีลักษณะเป็นผู้ที่ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วในวงเล็บวิธิตธรรมโมคือรู้อย่างแจ่มแจ้งบริบูรณ์อีกทั้งยังเป็นผู้มีธรรมอันอยางลงแล้วในวงเล็บปริโยคาละหตธรรมโม คือรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะทุกแง่ทุกมุมคำศัพท์เหล่านี้แสดงให้เห็นความหลากหลายของภาษาบาลีในสมัยนั้นการรู้เห็นอริยสัจสี่โดยประจักษ์ชัดด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะเพียงการมีศรัทธารับเอาพระลัตนตรัยเป็นสลณะเท่านั้นยังไม่อาจทำลายความสงสัยในพระรัตนตรัยได้หมดไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเข้ามากระตุ้นก็อาจทำให้เกิดความเคลือบแคลงลังเลใจแต่ผู้ที่ได้เห็นความจริงคืออริยสัจสีด้วยตนเองจะหมดความสงสัยไปได้เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้รูปนามปัจจุบันในทุกขณะที่เห็นได้ยินพลังสมาธิและพลังปัญญาจะพัฒนาขึ้นตามลำดับ เขาจะรู้เห็นสิ่งที่ถูกรับรู้ว่าเป็นรูปจิตที่รู้ว่าเป็นนามและรู้เห็นเหตุปัจจัยของรูปนามว่าการเห็นเกิดขึ้นเพราะมีรูปและตาส่วนอริยบทเดินนั้นเกิดจากความต้องการจะเดินถ้าหากเขาลืมกำหนดรู้อารมณ์ที่มาปรากฏก็อาจจะยึดถืออารมณ์นั้นว่าน่าพอใจเมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจ ก็จะเกิดความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นเมื่อเพลิดเพลินยินดีก็เกิดความยึดมั่นเมื่อมีความยึดมั่นก็พยายามทำกรรมต่างๆเพื่อสนองความยึดมั่นนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้ได้จากประสบการณ์ของตนอีกทั้งยังรู้เห็นว่าความทุกข์ที่เขาต้องประสบเป็นผลของบาปในอดีตและความสุขในปัจจุบัน ก็เป็นผลของบุญในอดีตเมื่อเขารู้เห็นอย่างนี้ก็จะขจัดความเชื่อว่ามีอัตตาหรือวิญญาณที่เป็นอมตะหรือแม้กระทั่งพระเจ้าที่เป็นผู้ลิขิตโชคชะตาเพราะเข้าใจว่ารูปนามทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยตามสมควรเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ต่อไปเขาจะรู้ เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปต่อมาก็จะรู้เห็นการเกิดดับของรูปนามอย่างรวดเร็วจนเกิดปัญญาอย่างเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของสภาวะธรรมรูปนามทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นในพระปัญญาว่าพระผู้มีพระภาคทรงอย่างเห็นอริยสัจด้วยพระองค์เอง จึงทรงแสดงพระสูตรนี้พระองค์ต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นความจริงแท้และแม้พระสงฆ์ผู้ประพฤติธปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็เป็นพระอริยะเจ้าที่มีปฏิปทาอันดีงามต่อจากนั้นผู้ปฏิบัติจะบรรลุถึงความดับของรูปนามเห็นแจ้งพระนิพพานอันสงบแทงตลอดนิโรธทศจัต โดยรับเอาเป็นอารมณ์และอริยสัจอีกสามอย่างที่เหลือก็จะสำเร็จไปพร้อมกันด้วยการกำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยและพัฒนามรคให้เจริญขึ้นเมื่อเข้าใจอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามที่ควรเข้าใจอย่างนี้แล้วศรัทธาของเขาในพระลัตนาตรายจะอย่างรากลงอย่างแน่นแฟน้นไม่คลอนแคลน อีกทั้งศรัทธาเกี่ยวกับการบำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวความลังเลสงสยัยหรือวิจิกิจฉาจะหมดสิ้นไปท่านโกนธัญญายัางเห็นอริยสัจสีด้วยประสบการณ์ของตนเองจนไม่มีความสงสัยอีกต่อไปจึงเป็นผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วในวงเล็บ ตินนวิจิกิจโฉท่านได้ทูลขอบวชต่อพระพุทธองค์อย่างไม่มีความลังเลเรียกตามสัพ บ, บารีว่าวิตกะกัดถังกโถคือผู้ปราศจากความสงสยัยซึ่งมีความหมายเหมือนกับตินนวิจิกิจโฉและท่านก็มีความแกล้วกล้าอันเกิดจากปัญญาอย่างเห็นความเป็นจริงไม่ขึ้นกับบุคคลอื่นเพราะได้บรรลุธรรม ด้วยการปฏิบัติของตนเองจึงเป็นผู้ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าในวงเล็บเวสารัชปัตโตและไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระาศาสดาในวงเล็บอปรัปั จ, จโยสัตตุสาสเสนผู้ที่นับถือาศาสนาอื่นในโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องอาศัยฟังคําสอนจากผู้อื่น บางพวกบูชาเทพที่สิงสถิตตามต้นไม้ใหญ่หรือป่าเขาเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามกันมาแต่โบราณทั้งๆ ท, ที่พวกเขาไม่เคยได้พบเห็นเทพเหล่านั้นด้วยตนเองบางพวกบูชาพระพรหมหรือเท พ, พเจ้าบนสวรรค์โดยที่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นพระพรหมหรือเท พ, พเจ้าด้วยตนเองเลยคนพวกนี้เพียงแต่เชื่อตามกันมาเท่านั้น สำหรับชาวพุทธที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ต้องเชื่อตามคำสอนของบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ก่อนต่อเมื่อได้เจริญสมถะหรือวิปัสสนาจนเกิดปัญญาอย่างเห็นด้วยตนเองจึงจะมีความมั่นใจในหลักธรรมคำสอนมากขึ้นและหากได้บรรลุฌานและมรรคผลก็จะเกิดความรู้เข้าใจด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยอาศัยความรู้ของผู้อื่นอีกต่อไปจิตตะฆาบบดีกับนิครณนาตบุตรในครั้งพุทธกาลมีฆาบบดีคนหนึ่งชื่อจิตตะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีวันหนึ่งท่านไปหานิครณนาตบุตรหรือมหาวีระ ผู้นำลัทธิเชนที่มีชื่อเสียงเรื่องลือมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระาศาสนานิครณาตาบุตรถามขาหาบดีว่าได้ยินว่าศาสดาของท่านสอนว่าฌานสมาธิที่ปราศจากวิตกและวิจาร น, นั้นมีจริงท่านเชื่อเรื่องนี้หรือไม่ข้าหาบดีตอบว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าฌานสมาธิที่ปราศจากวิตก และวิจาร์นั้นมีจริงด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าข้อความว่าฌานสมาธิที่ปราศจากวิตกวิจาร์คือฌานสมาธิตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปที่ไม่มีวิตกวิจารตามจตุกกนาโดยทุติยฌานประกอบด้วยปีติสุขและเอกขตาตติยฌานประกอบด้วยสุข และเอกกัคตาชวนจะตุถชาญประกอบด้วยอุเบคาและเอกกัคตานิครณะตะบุตรเข้าใจผิดโดยคิดว่าขหบดีนั้นไม่มีศรัทธาในพระพุทธองค์จึงพูดจาถากถางให้สิทธิ์ของตนฟังว่าขหบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแต่ไม่เชื่อคำสอนเพราะเป็นคนซื่อตรง ขหบดีจึงได้ถามนิครณะตะบุตรว่าสิ่งไหนประเสริฐกว่ากันระหว่างความรู้กับความเชื่อนิครณะตะบุตรตอบว่าความรู้ประเสริฐกว่าความเชื่อขหบดีจึงชี้แจงว่าข้าพเจ้าสามารถเข้าฌานที่หนึ่งอันมีวิตกและวิจารณ์เข้าฌานที่สองอันปราศจากวิตกและวิจารณ์ ข้าวชาญที่สาอันไม่มีปีติและข้าวชาญที่สอันไม่มีสุขได้ตลอดเวลาตามที่ปรารถนาข้าพเจ้าจึงไม่จาเป็นต้องเชื่อความรู้ของผู้อื่นว่าชามที่ปราศจากวิตกและวิจาร์มีจริงเพราะข้าพเจ้ารู้ชัดด้วยตนเองตามเรื่องที่ยกมาเป็นสาธกนี้ท่านขหบดีไม่ต้องอาศัยความรู้ของผู้อื่น เพราะสามารถเข้าฌานได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกับพระโกลทัญญะที่เข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับอริยสัจสี่จึงไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระษาสดาที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญอริยมรรคมีองค์8และไรสิกขาเมื่อท่านโกลทัญญะทูลขอบวชอย่างนี้แล้ว พระพุทธองค์ได้ประทานเอหิพิขูอุปสัมพทาให้ท่านเข้ามาเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาความจริงแล้วท่านออกบวชเป็นฤาษีอยู่ก่อนแต่ยังไม่ใช่ภิกษุในพระศาสนาที่รับคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงท่านจึงทูลขอบวชเพื่อฝากตัวเป็นสาวกของพระพุทธองค์ ดังข้อความที่พระธรรมสังคาหกกาจาร์บันทึกไว้ในคำภีมหาวักว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าเรากล่าวทำดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุนั้น ผู้ที่บรรลุธรรมเป็นครั้งแรกในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้อยู่มีผู้ฟังที่เป็นมนุษย์คือปัญจวคีทั้งห้าและครั้งนั้นท่านโกนธัญญาเพียงผู้เดียวได้ดวงตาเห็นธรรมในคำพีมิลินทะปัญหากล่าวว่าพรมสิบแปดโกธและเทวดาในกาลมาวจรภูมิอีกจำนวนนับไม่ถ้วน ได้บรรลุธรรมหลังจากฟังพระสูตรนี้หลังจากที่ท่านอัญญาโกณทัญญะได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนปัญจวคีสีท่านที่เหลือและต่อมาท่านวัปปะและท่านพัทยะได้ดวงตาเห็นธรรมประจักษ์ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดา ทานทั้งสองนั้นบรรลุโสดาปติผลและได้รับเอหิภิขุอุปสัมปทาจากพระพุทธองค์ดังข้อความในคำภีมหาวัคว่าครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ประทานโอวาท ส, สั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมมีาถาเมื่อพระผู้มีพระภาคประทานโอวาท ส, สั่งสอนอธรรมมีาถาอยู่ ดวงตาเห็นธรรมอันประสะาทธุลีประสะากมนทินได้บังเกิดแก่พระวัปปะและท่านพระพทตยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวล น, นั้นมีความดับเป็นธรรมดาท่านทั้งสองนั้นได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันอยังลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้วประสจจาชาความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งสองจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วได้ตรัสต่อไปว่าเรากล่าวทำดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งสองนั้นหลังจากท่านวัปปะและท่านพัทยะอุปสมบทแล้ว พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนท่านมหานามะและท่านอัศชิโดยที่ไม่ได้เสด็จออกบินทบาทเพียงอาศัยบินทบาทที่พระัญญากนทัญญาพระวับ ป, ปะและพระพัทยะได้มาเท่านั้นต่อมาท่านมหานามะและท่านอัศชิได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันและได้รับเอหิภิขุอุปสัมปทาเช่นเดียวกัน ดังข้อความในคำภีมหาวัคว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสวยพระกยาหารที่ท่านทั้งสามนามาถวายได้ประธานโอวาทสั่งสอนภิกษุที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมิกถาภิกษุเที่ยวบินทบาทนําบินธบาทใดมาทั้งหกรูปก็เลี้ยงชีพด้วยบินทบาทนั้นในวันต่อมา เมื่อพระผู้มีพระภาคประธานโอวาสสั่งสอนด้วยธรรมิกถาดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้บังเกิดแก่ท่านพระมหานามะและท่านพระอัศจริว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งสองนั้นได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้ว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 พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งสองจงเป็นพิสุมาเถิดแล้วได้ตรัสต่อไปว่าเราก่าวทำดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพระมาจันเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งสองนั้น ในคำพีอัตถกถาของพระวินัยปิฎกเล่าเหตุการ์ต่างออกไปคือท่านวัปปะได้ดวงตาเห็นธรรมในวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดท่านพัิยะได้ในวันแรมสองข้ามท่านมหานามะได้ในวันแรมสามข้ามและท่านอัศจิได้ในวันแรมสี่ข้าม โดยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารมิได้เสด็จออกบินถบาทเพื่อคอยแนะนำภิกษุทั้งสี่หากมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติและในวันแรมห้าคำ่ำเดือนอาสาฬหะพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนัตตลักษณะสูตรแก่ภิกษุปัญจวัคคีในมัชฌิมานิกายปาราสิสูตร พระพุทธองค์ตรัสว่ามีภิกษุสมรูปออกบินทบาตในขณะที่ทรงสั่งสอนภิกษุสองรูปและมีภิกษุสองรูปออกบินทบาตต่อมาในขณะที่ทรงสั่งสอนภิกษุสรูปเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้รับการสั่งสอนอย่างใกล้ชิดจากพระผู้มีพระภาคก็เห็นภัยในการเกิดพบใหม่และพยายามปฏิบัติธรรม เพื่อให้ได้บรรลุพระนิพพา น, นหลุดพ้นจากสังสารวัฏในปาสาราสิสูตรนี้ได้ตรัสรับรองการบรรลุอรหัตผลของภิกษุปัญจวคีอีกด้วยในคำพีอัตถคถาของพระสูตรข้างต้นกล่าวว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ในวิหารเพื่อคอยช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติของปัญจวัคคีโดยไม่ได้เสด็จออกบินทบาทจนกระทั่งพระวัปปะบรรลุโสดาปฏิผลในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8พระพัทยาบรลุในวันแรมสองค่ำพระมหานามบรลุในวันแรมสค่ำและพระอสชิบรรลุในวันแรมสีม่ค่ำต่อมาในวันแรมหค่ำภิกษุ ป, ปัญจวัคคี ได้มาประชุมกันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนัตตลักณะสูตรและบรรลุอรหัตผลในเวลาจบพระธรรมเทศนาตามข้อความที่ปรากฏในพระวินัยปิดกและพระสุตตันตปิดกแสดงว่าภิกษุปัญจวคีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันคราวละสองรูปแต่ ในคำพีอัตกถากล่าวระบุโดยละเอียดว่าบรรลุ ธ, ธรรมวันละหนึ่งรูปประเด็นนี้เป็นความแตกต่างเพียงอย่างเดียวส่วนประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับการเพียรปฏิบัติแล้วได้บรรลุ ธ, ธรรมการตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยไม่ออกบินทบาทและการที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเพื่อสั่งสอนโดยไม่ออกบินทบาทมีความสอดคล้องกันทั้งหมด จะเห็นได้ว่าท่านวั ป, ปะเริ่มเจริญวิปั ส, สนาในตอนค่ำของวันเพ็ญเดือนแปดและบรรลุโสดาปฏิผลในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันแรมหนึ่งค่ำหลังจากได้รับการแนะนำอย่างใกล้ชิดจากพระผู้มีพระภาคโดยไม่ได้เพียงฟังพระสูตรนี้เท่านั้นท่านพัทธิยะบรรลุโสดาปฏิพลัหลังจากบำเพ็ญเพียรอยู่สองวัน ท่านมหานามะสามวันและท่านอัศจิสี่วันพิกษุทั้งสีรูปทำความเพียรอย่างบากบันโดยได้รับการดูแลจากพระผู้มีพระภาคโดยตรงมิใช่เพียงแต่ฟังธรรมอย่างเดียวอันที่จริงพิกษุปัญจวคีไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปแต่เคยเป็นถึงโหรหลวงซึ่งบุตรของโหรหลวงที่เคยทำนายอนาคตของพระโพธิสัตว์ เมื่อครั้งประสูตรท่านเหล่านี้ได้สละบ้านเรือนออกบวชเป็นฤาษีเป็นผู้มีสติปัญญาที่ได้ฝึกอบรมมาอย่างดีจึงสามารถเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้โดยง่ายหากการบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นสําเร็จได้ด้วยการฟังพระสูตรเพียงอย่างเดียวท่านวัปปะเป็นต้นก็คงบรรลุเป็นพระโสดาบัน โดยไม่ต้องบำเพ็ญเพียรอย่างหนักดังที่กล่าวมาแล้วและพระพุทธองค์ก็คงจะแสดงธรรมซ้าแล้วซ้าเล่าเพื่อให้บรรลุธรรมโดยไม่สนับสนุนการปฏิบัติแต่พระองค์ก็ทรงทราบด้วยพระปัญญาว่าท่านวัปปะเป็นต้นนั้นเป็นเนยยะบุคคลที่สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยการปฏิบัติจึงดูแลให้พวกท่านจเจริญวิปัสสนาอย่างใกล้ชิด ในปัจจุบันมีบางคนอ้างว่าการเจริญสมถะและวิปัสนาเพื่อบรรลุโสดาปฏิติผลเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเพียงแต่มีศรัทธาและเรียนพระธรรมคำสอนให้เข้าใจก็เป็นการเพียงพอแล้วการกล่าวอ้างเช่นนี้ไม่ส่งเสริมให้คนเจริญสมาธิและปัญญาในไตรสิกขาอีกทั้งยังเป็นการสอนให้ทาลาย ปฏิบัติศาสนาผู้ที่หลงเชื่อคำสอนที่ผิดอย่างนี้จะไม่อาจบรรลุพระนิพพานได้เลยการบำเพ็ญเพียรของท่านวัปปะเป็นต้นท่านวัปปะเป็นต้นบำเพ็ญเพียรอย่างหนักในการพัฒนามรคมีองค์แปด ตามคำสอนในพระสูตรด้วยการกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันมีสภาวะเห็นได้ยินเป็นต้นที่ปรากฏชัดในแต่ละขณะเพื่อให้เข้าใจทุกขสัตว์คืออุปทานขันห้าอย่างทองแท้ผู้ที่เจริญสติกำหนดรู้รูปนามอย่างต่อเนื่องมักถูกรบกวนด้วยความคิดฟุ้งซ่านมีการวิตกเป็นต้นโดยเฉพาะผู้ที่ได้ศึกษามามาก อาจมีความสงสัยในหลักธรรมในบางขณะบางคนอาจประสบความเจ็บปวดตามร่างกายจนทนไม่ได้บางครั้งเห็นนิมิตคือเทวดาหรือวิมานจนทำให้ฟุ้งซ่านเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษบางคราวก็ได้ยินเสียงกระซิบเหมือนมีเทวดามาพูดคุยด้วยบางขณะก็เกิดความง่วงเหงาหดหูท้อถอย บางขณะสมาธิและปัญญาไม่ก้าวหน้าเพราะไม่จดจ่อเท่าที่ควร น, นอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมอาจไม่มีก้าวหน้าเพราะศรัทธากับปัญญาหรือสมาธิกับวิริยะไม่สมดุลกันจึงต้องปรับอินทรีย์ให้เสมอกันมิฉนั้นแล้วสมาธิจะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดสมาธิปัญญาก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุทธพยายานอาจมีสภาวะธรรมแปลกๆกเกิดขึ้นเรียกว่าอุปกิเลสเช่นแสงสว่างปิติสุขสติที่แ ก, ก่กล้าหรือปัญญาที่เข้าใจชัดเจนทําให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผลแล้วเมื่อประสบเหตุการณ์เช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับคาแนะนา ที่ถูกต้องจากวิปัสนาจารย์เพื่อแนะนำให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติหากไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครูอาจารย์ที่พอจะแนะนำได้ผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าในการปฏิบัติเท่าที่ควรข้อนี้เป็นเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงเห็น ถึงความจำเป็นในการดูแลท่านวัปปะเป็นต้นจนมิได้เสด็จออกบินทบาทและจากการแนะนำอย่างใกล้ชิดของพระพุทธองค์นั้นส่งผลให้ทั้งสี่ท่านได้บรรลุโสดาปติผลตามลำดับต่อจากนั้นในวันแรมห้าค่มเมื่อทรงแสดงอนัตตลักษณะสูตรภิกษุปัญจวคีได้กำหนดรู้อุปทานคันห้า จนเกิดวิปัสนาญาณตามลำดับได้บรรลุมรคผลสําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้ารูปเมื่อเจ้พระธรรมเทศนาอนัตตลักณะสูตรได้เกิดมีพระอรหันต์ขึ้นในโลกหกรูปรวมทั้งพระพุทธองค์ดันข้อความในคัมภีร์มหาวักว่าในสมัยนั้นพระอรหันต์หกรูปในโลกดังนั้น ในที่สุดของการบรรยายธรรมจักรปรวัตนสูตรนี้ขอให้พวกเราพร้อมใจกันน้อมถวายสักการะแด่พระอรหันต์ทั้งอกองด้วยคำสดุดีดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาทแด่พระพุทธองค์พร้อมทั้งปัญจวคีผู้กําจัดกิเลสบรร ล, ลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวันแรมห้าค่าเดือนแปด นับป่าอิสิปตนะมารุกขทยวันใกล้เมืองพารณสีอนุโมทนากถาด้วยบุญกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนานี้ด้วยความเคารพจงส่งผลให้ท่านทั้งหลายหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่สุดตงสองสายดำเนินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์แปดสามารถกำหนดรู้ทุก ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งและพัฒนามรคให้เจริญบรรลุถึงพระนิพพานอันดับกองทุกทั้งสิ้นโดยพลันจบพระธรรมจกกักรประวัตนาสูตรท่านผู้ฟังที่เคารพคะธรรมจกกักรประวัตนาสูตรจบโดยบริบูรณ์แล้วคะ่ะ ดิฉันเพนสีอินทรทัตผู้จัดทารายการขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์คันทสศาราพิวงศ์ผู้แปลและเรียบเรียงที่ได้กรุณาอนุญาตให้ดิฉันนำธรรมจกกักรปรปวัตนสูตรนี้มาเผยแผ่ออกอากาศทางสถานีวิทยุต่างๆเพื่อเป็นธรรมทานขอขอบพระคุณคุณจิตปราณีเกียรติกุล ที่กรุณานำหนังสือธรรมะต่างๆมามอบให้ดิฉันออกอากาศเสมอมาและได้ทราบมาอีกว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นชื่นชอบผลงานของท่านพระอาจารย์คันทสาราพิวงศ์เป็นอย่างยิ่งดิฉันผู้จัดทำรายการก็รู้สึกปลื้มปิติไปด้วยนะคะขออนิสงฆ์ในการเผยแผ่ธรรมนี้จงเป็นปัจจัยน้อมนำให้ผู้เรียบเรียง ผู้จัดพิมพ์หนังสือและตลอดจนท่านผู้ฟังทุกๆท่านจงประสบความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในธรรมสืบไปสวัสดีค่ะ